เจริญอรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13 ส, ส, สิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพัรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินีนาถทางราชการเห็นว่าเป็นวันที่อยู่ระหว่างวันเสาร์กับวันอาทิตย์และวันหยุดวันที่สิบสองก็เลยกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันญาติโยนจึงมีเวลาได้กำไร คือมีเวลาที่จะได้มาทำบุญเพราะถ้าวันนี้ต้องไปทำงานก็จะไม่ได้ทำบุญบุญนี้มีคุณประโยชน์แก่จิตใจมากกว่าการงานหรือผลที่เกิดจากการทำงานผลที่ได้จากการทำงานนี้ก็จะได้ประโยชน์กับทางร่างกาย และทางกิเลสตัณหาเท่านั้นเช่นถ้าเราทำงานได้เงินได้ทอง ม, มากเราก็สามารถมีเงินทองดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่ได้อย่างปกติแล้วถ้าเรามีกิเลสมีตัณหามากเราก็เอาไปเลี้ยงกิเลสตัณหากิเลสอยากจะได้อะไร อยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้เพราะมีเงินที่จะทำตามความอยากตามความโลภแต่การทำตามความอยากตามความโลภนี้จะเป็นการสร้างหรือทำให้กิเลส ตัณหาความอยากนั้นมีมากขึ้นมีเจริญความเจริญเติบโตมากขึ้นไม่ใช่ลดน้อยถอยลงไปและความเจริญเติบโตของกิเลสนี้ก็จะเป็นโทษกับใจเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเรามีความ เศร้าหมองมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจไม่สดชื่นแจม่มใสเบิกบานไม่เย็นไม่สบายแต่บนนี้กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจมากเพราะบนนี้จะทําให้ใจมีความอิ่มหนำสำาสําราญมีความอิ่มเ อ, อิบมีความพอมีความสุข มีความภูมิใจที่ได้ทำความดีบุญนี้มีคุณประโยชน์กว่าเงินทองเพราะว่าเงินทองนี้ไม่สามารถติดไปกับใจได้เวลาที่ใจต้องจากโลกนี้ไปต้องเดินทางไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ แต่บุญนี้เอาไปกับใจได้และจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อที่จะให้ได้พบชาติที่ดีกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะเลือกระหว่างการทำงานกับการทาบุญขอให้เราเลือกการทำบุญ แล้วเราจะไม่ขาดทุนถ้าเราเลือกการทํางานถ้าเป็นความจําเป็นจริงๆคือยังไม่พอใช้เครือปัจจัยสี่ยังไม่พอเพียงก็ต้องทํางานไปก่อนเพื่อจะได้มีปัจจัยสี่ให้พอเพียงแต่ถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วสู้เอาเวลามาทําบุญ จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะบุญนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้พบที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่ดังนั้นการที่เราได้มาวัดในวนันนี้จึงถือว่าเป็นกําไลเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องไปทำงานกัน แล้ว ม, มาวัดเราก็จะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับใจคือบุญต่างๆเช่นการให้ทานทำบุญตัดบาทถวายสังฆทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทานเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วถ้ามีจิตศรัทธาอยากจะรักษาสิง ก็จะเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็จะเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเพราะการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมนี้จะทำให้จิตใจผ่องใสทำให้จิตใจมีความสงบทำให้จิตใจสามารถขจัดความสงสัยต่างๆได้สามารถทำให้จิตใจ มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่ได้มาวัดเพราะว่าบุญนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆมีบุญมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมีน้อยมากขึ้นเท่านั้น มากลงไปน้อยลงไปความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปแล้วถ้ามีมากเต็มที่ก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยเช่นใจของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สร้างบุญจนเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเป็นปรมังสุขขังน่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมคลายความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินนั้นมันหมดไปเหมือนควันไฟเวลาที่เราอยากจะได้อะไรเราซื้อสิ่งที่เราอยากได้มาเราก็มีความสุขดี อ, อกดีใจชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นแล้วความสุขนี้ก็จะหายไป ก็ทำให้เราอยากจะซื้อของใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อเราจะได้มีความสุขอีกแต่เราก็ต้องทำอย่างนี้ไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเกิดความรู้สึกพอตามก บ, บุญที่เราทำบุญนี้ยิ่งทำมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความพอมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งจะมีความอยากน้อยลงยิ่งจะมีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ร้อยลงไปเพราะใจไม่หิวนั่นเองบุญนี้เป็นเหมือนอาหารใจถ้าใจได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่หิวกับสิ่งต่างๆเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นอาหาร ได้มาเท่าไหร่ก็ยังทำให้ใจหิวอยู่เรื่อยๆลองสังเกตดูตั้งแต่เราเกิดมานี้เราอยากได้สิ่งต่างๆมากมายและเราก็ได้มาตามความอยากของเรามากมายแต่ผลเป็นอย่างไรวันนี้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ลดน้อยลงไปหรือ กับมีมากขึ้นกว่อนเดิมสมัยที่เราเป็นเด็กๆความอยากของเรานี้มีไม่มากเหมือนกับสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่เพราะสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราไม่มีความสามารถทำตามความอยากเราได้แต่เราก็อยู่อย่างมีความสุขได้ตามภาษาเด็กๆแต่พอเราโตขึ้นมา เรามีความสามารถที่จะทําตามความอยากได้มากขึ้นเราก็เลยได้สิ่งต่างๆมามากขึ้นได้ทั้งเข้าของเงินทองได้ทั้งบุคคลเช่นได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ทิดาได้หลานสิ่งหล่านี้เกิดมาจากความอยากเท่านั้น ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาและเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกหลานทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเวลาที่เราอยู่คนเดียวได้นนี้เราแสนจะสบายมีสิทธิในตัวเราเต็มที่ มีอิสรภาพเต็มที่ไม่ต้องขออนาาุญาตใครเวลาอยากจะทำอะไรอยากจะนอนอยู่กับบ้านก็นอนได้อยากจะไปข้างนอกก็ไปได้แต่ถ้ามีคู่ครองแล้วจะไปไหนก็ต้องขออนุญาต ก, กันก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปด้วยกันจะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้ นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาสู้อยู่คนเดียวจะสุขกว่าจะสบายกว่าแต่เหตุที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะใจของเราขาดบุญนั่นเองใจเรามีบุญน้อยบุญที่จะมาทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มนี้ยังมีน้อยเราเลยยังต้อง หาคู่ครองมาให้ความสุขกับเราถ้าเราอยากจะไม่มีคู่ครองเราต้องสร้างบุญคือการภาวนาเราต้องถือศีลแปดให้ได้รักษาศีลแปดได้แล้วภาวนาทำจิตใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขกับความสงบของใจเราก็จะไม่หิวไม่อยากที่จะอยู่กับใคร กับจะรู้สึกลำคางเวลาที่ต้องอยู่กับคนอื่นเพราะอยู่ท่าใจสงบแล้วใจไม่ชอบที่อยากจะสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเพราะความสงบของใจนี้เป็นเหมือนน้ำนิ่งแต่เวลาไปสัมผัสรับรู้เรื่องต่างๆนั้นเป็นเหมือนเอาก้อนหินโยนลงไปในน้ำทำให้ใจกระเพื่อม ทำให้น้ำมีลูกคลื่นแล้วก็น้ำก็ขุ่นขึ้นมาใจก็เช่นเดียวกันเวลาใจอยู่ตามลำพังแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ใจจะนิ่งจะเย็นจะใสจะมีความสุขมากแต่พอต้องมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเรื่องของคนเรื่องของอะไรต่างๆ ก็จะเกิดการกระเพื่อมของใจขึ้นมาทำให้เกิดในความรู้สึกว่าวุ่นขนุ่นโมคนใดผู้ใดถ้าได้ความสงบของสมาธิแล้วจะไม่มีคู่ครองหรือถ้ามีก็จะจะพยายามแยกทางกัน บางคนก็ขอภรรยาหรือขอสา ม, สามีออกบวชอนุญาตให้สามีหรือภรรยาหาคู่ครองคนใหม่ได้เพราะใจนั้นไม่ปรารถนาความสุขกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพราะความสุขที่ได้จากการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนี้ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ต้องรับด้วย พ่าถ้าเราอยู่กับผู้อื่นเรารักเขาเราก็ต้องห่วงเราก็ต้องห่วงเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตาเราก็จะเกิดความห่วงใยเกิดความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วถ้าเกิดเขาต้องจากเราไปอย่างอย่างกระทันหันเราก็จะไม่สามารถที่จะรับกับเหตุการณ์ได้ ใจของเราก็ต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอะไรอวร์นี่เป็นพ่อเหตุที่ว่าใจของเราขาด บ, บุญไว้หล่อเลี้ยงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่ทำบุญให้มากๆเพื่อใจของเราจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆหรือบุคคลอื่น มาเป็นที่พึ่งใจนี้ถ้ามีบุญแล้วบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งของใจที่แท้จริงขอให้เราทำไปเถิดทานก็ทำไปศีลก็รักษาไปเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ารักษาไม่ได้ครบทั้งห้าข้อก็ไม่เป็นไรรักษาได้กี่ข้อก็พยายามรักษาไปก่อนรักษาได้กี่วัน ก็รักษาไปดีกว่าไม่รักษาเลยบางครั้งอาจจะอ้างว่ารักษาข้อนี้ไม่ได้ก็เลยไม่รักษาข้ออื่นด้วยหรือรักษาวันนี้วันนั้นไม่ได้เพราะต้องไปทำงานต้องพูดปดก็เลยไม่รักษาข้ออื่นด้วยอย่างนี้ก็ไม่ควรกระทําข้อไหนรักษาได้ก็รักษาไปเช่นถ้ารักษาข้อการเสพุรายาเมา ได้ก็รักษาไปอย่าไปเสพสุรายามาแต่ถ้าบางวันจำเป็นที่ต้องดื่มเพราะเป็นเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจการงานก็ดื่มไปพอหอมปากหอมคอพอเป็นพธิธีอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าดื่มแบบอาศัยเป็นสุรณะเป็นที่พึ่ง เวลาไม่สบายอกไม่สบายใจก็ดื่มเพื่อผ่อนคลายการผ่อนคลายจิตใจแบบนี้ไม่ได้เป็นการผ่อนคลายที่แท้จริงเพียงแต่จะกรบมันไปชั่วคราวเท่านั้นแต่กลับจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาคือปัญหาติดสุรายาเมาวันไหนไม่ได้ดื่มก็จะรู้สึกหนุดเหลียดใจ รู้สึกว่าเวต้องดด่มสุราเพื่อดับความรู้สึกเหล่านี้แล้วเมื่อดด่มไปมากๆเข้าก็จะเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจร่างกายก็จะรับพิษของสุราเข้าไปทำให้อวัยวะสำคัญเช่นตับไตนี้เสื่อมชราและเสียหายได้ส่วนเวลาดื่มแล้วก็จะทำให้จิตใจในี้ขาดสติ ไม่สามารถควบคุมการประพฤติของตนให้อยู่ในธรรมนองครองทําให้อยู่เป็นปกติได้และอาจจะไปทำผิดศีลผิดธรรมได้เช่นถ้าขับรถในขณะที่เมาสุราก็อาจจะขับไปชนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้หรือทำให้ตนเองเสียชีวิตได้ โทษของการดื่มสารานี้จึงมีมากกว่าคุณประโยชน์คุณประโยชน์ก็ได้เพียงเล็กน้อยที่ทำให้ลืมเรื่องปัญหาต่างๆไปชั่วคราวทำให้ความว้าวุ่นขุ่นนัวของใจนั้นหายไปชั่วคราวเท่านั้นเองแต่โทษที่จะตามมานี้มันมากมายและมีวิธีอื่นที่เราสามารถที่จะผ่อนคลายความเครียด ความไม่สบายใจได้เช่นไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะผ่อนคลายความเครียดได้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ลืมเรื่องต่างๆที่ทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลเวลาสวดขอให้มีสติสวดไปอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เราเกิดความว่าวุ่นขุบ่บวว สวดไปได้เลื่อๆอยู่กับบทสวดมนต์ไม่นานความเครียดต่างๆก็จะข่อนคลายลงไปแล้วก็หายไปได้หรือถ้าเรานั่งสมาธิเป็นเราจะกำหนดนั่งหลับตากำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆ ถ้าบริกรรมพุทธโธก็ให้อยู่กับการบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสในขณะที่เข้าออกให้รู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้ตามความจริง ลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดเราไม่ต้องการมาบังคับลมเราเพียงต้องการอาศัยล ม, ลมเป็นที่ยึดเกาะเป็นเหมือนสมอเรือเรือนี้ถ้าเวลาจอดเทียบท้าไม่ผูกไว้กับท่า หรือไม่ทอดสมอเดี๋ยวเรือก็จะต้องไหลไปตามกระแสน้ำเรือก็จะไม่นิ่งใจของเราก็เป็นเหมือนเรือถ้าไม่มีสมอไว้ทอดหรือมีเชือกไว้ผูกไว้กับท่าเดี๋ยวก็จะไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เราคิดอยู่นี้ก็จะดึงใจของเราให้ไปคิ ด, ค, ดคิดเรื่องนั้นแล้วก็จะมีเรื่อง นั่นโน้นมาต่อคิดไปทั้งวันก็จะไม่มีวันหยุดคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทําให้จิตใจว่าวุ่นขุนงัวทําให้วิตกกังวลไปต่างๆนานาไม่เกิดประโยชน์ความคิดที่คิดแบบไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญาควบคุมถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้คิด ไปในทางที่ทำให้ใจเราสบายได้อย่างน้อยเราก็อยากไปคิดมันก่อนคิดถึงคำว่าพุทโธไปก่อนแทนหรือสวดมนต์ไปก่อนหรือถ้ายังทำไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนอย่างในขณะนี้ถ้าเราตั้งใจฟังเรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะมีความผูกพันหรือมีความว้าวุ่นผุ่นโม่ด้วยก็จะหายไปจากใจ ถ้าเราตั้งใจฟังไปเรื่อยเรื่องอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาได้เราก็จะมีธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้ใจของเราเย็นสบายได้แล้วหลังจากที่ใจเราเย็นสบายแล้วถ้าเรากลับไปมองเรื่องที่ทำให้เราไม่สบาย อ, อกสบายใจเร า, า จ, จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยเป็นเรื่องที่เราแก้ได้คือ เราตัดได้ตรงได้วางได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปถ้าเราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติตามเรื่องของมันเพราะว่าชีวิตของเรานั้นสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดและเราก็จะต้องจากเรื่องราวต่างๆไปอยู่ดีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม มันก็จะไม่ไปกับเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราได้แต่ก่อนก่อนที่ใจจะสงบนี้จะยากเพราะว่าตอนนั้นจะมีกิเลสที่จะไม่ยอมอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ อยากจะแก้อะไรก็ต้องแก้ให้ได้อยากจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ทั้งๆ ท, ที่มีอุปสรรคต่างๆหรือมีความเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่เวลามีอารมณ์แล้วจะไม่ยอมจะต้องทำให้ได้แต่ถ้าเราหันใจของเรามาจากเรื่องต่างๆเหล่านั้น แล้วทำใจให้สงบด้วยการฟังเทศก็ดีด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการนั่งสมาธิก็ดีถ้าใจของเราสงบได้แล้วลืมเรื่อ ง, ร, องราวต่างๆได้พอเราออกจากความสงบแล้วเรากลับไปดูเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหานั้นเราก็จะเห็นทางออกเราก็จะเห็นว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ ทำให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจเราเจ้าใจเราสบายถ้าปล่อยวางได้แล้วใจเราสบายเราก็ปล่อยวางไปถ้าจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปหรือบุคคลนั้นไปแต่สูญเสียแล้วทาให้ใจเราสบายกว่าการที่เราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาอยู่กับเราเราสู้ปล่อยให้เขาไปดีกว่าเพราะใจของเราจะได้สบาย ถ้าเรายังหวงยังยึดติดอยู่เดี๋ยวเราก็เครียดอีกเราก็วุ่นวายใจอีกปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกปัญหาที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของเราคือความทุกข์ในรูปแบบต่างๆความเครียดความกังวลความวิตกความกลัวความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวร์ความห่วงใยความวงแหน อาการเหล่านี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นและเป็นความทุกข์ที่เราสามารถแก้ได้ตัได้ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปหวงไปห่วงนั้นไม่ช้าก็เร็วสักวั น, นึ่งก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไปหวงทำไมไปหวงทำไม เราก็อยู่แบบไม่ห่วงไม่ห่วงจะไม่ดีกว่าเลยเพราะเวลาเราไม่ห่วงแล้วเราสบายใจเช่นตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็มีความสบายแต่พอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นสมมุติที่ว่าลืมลืมปิดไฟไว้ที่บ้านหรือดับลืมดับแก๊สไว้ที่บ้านอย่างนี้ก็จะเกิดความ ห่วงใยขึ้นมา ท, าทันทีแล้วก็จะทนนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะเรากลัวบ้านจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดว่ามันจะไหม้ก็ช่างมันเถอะดีจะได้หาบ้านใหม่อยู่ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่ห่วงยอมรับความจริงว่าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามันจะไหม้ตอนนี้มันก็ไหม้ไปหมดแล้วจะรีบกลับไปตอนนี้มันก็ไม่ทั น, น, กก อ, น, น, นทอยู่ดี คือถ้าเราโปร่งได้ตัดได้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาความวุ่นวายใจต่างๆได้ความวุ่นวายใจนี้เป็นโทษมากกว่าและไม่มีสิ่งต่างๆที่เราไปวุ่นวายด้วยนั้นมันไม่มีประโยชน์เท่ากับความอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่วุ่นวายใจพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องสละราชสมบัติ พอท่านต้องวุ่นวายกับทรัพย์สมบัติต่างๆของท่านพอท่านออกบวชแล้วนี่ความวุ่นวายใจกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็หมดไปไม่มีปัญหาอยู่ในป่าคนเดียวทําจิตใจให้สงบแล้วไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรไม่วุ่นวายไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวลกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นใจมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยอยู่แบบไม่มีอะไรแต่มีความสุขใจอย่างมากหรืออยู่กับการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีบุคคลต่างๆมากมายแต่จิตใจนี้กินไม่ได้หรอนี่หรอมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวต้องหาวิธีผ่อนคลายด้วยวิธีการต่างๆที่เป็นโทษกับจิตใจเช่นเดินสุรายาเมาออกไปเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขจากการกระทําต่างๆแล้วก็จะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะกลับมาที่บ้านมันก็เจอปัญหาเดิมๆกลับมาที่ทํางานมันก็เจอปัญหาเดิมๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกที่จะเป็นอย่างนี้โลกเรามันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปที่เราต้องการได้พอมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการใจของเราก็เครียดขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมา ท, าทันทีเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราอาจจะดูแลจัดการบางอย่างบางเรื่องบางเวลาได้ แต่เราจะไม่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเวลาได้เราต้องหัดทำใจยอมรับกับสภาพความจริงถ้าทำใจถ้าทำไม่ได้แก้ไม่ได้จัดการไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ใจของเราจะไม่เสียใจของเราจะสงบเย็นสบายนี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่พวกเราได้มาทำกันในวันนี้ แล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปกับเราต่อไปเวลาไปเจอปัญหาต่างๆเราก็จะรู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องแล้วต่อไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรมารบกวนจิตใจของเราเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญเพื่อความสุขความเจริญของใจนี้ให้ท่านได้นําไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไป